ช่วงนี้อากาศเปลนแปลงกือจะอากาศเปลนแปลงเสี ย, ย ง, สหงหายเสีงยงแอบเสียงแห้งางนคนอุตุเดือนช่วงที่เราปฏิบัติธรรมยี่สีพบวันที่หกพายุคือร้อนเข้าทางกำลังระ บ, บัดระบาดสุขภาพเที่เข้ามาช้าที่คนมาติดต่อสาระ ท, ที่นีต้นตี๋ระว่างพระอาชอบเพื่อนตายมีเพื่อนตายเราไปสองเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนตายเมื่อเช้าเราคุยกันถึงเรื่องวันนี้ที่ความเป็นมาความสําคัญที่เรามาทูลถวกกันปฏิบัติสามเรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องศีล เรื่องสองสมาธิเรื่องสามหรือปัญญาทำยังไงสามเรื่องให้เป็นเรื่อเดียวกันได้โดยไม่ต้องแยกให้เป็นเรื่องเดียวกันตัง้งแต่ต้นจนจบอันนี้คือสิ่งดีปุจชาวางเรียบหลักการ สนุดรงการหรือเป้าหมายเป้าหมายในการปฏิบัติศินสมาธิปัญญาสั่อ ย, ย่างเป้าหมายตั้งไว้ก่อนก็คือผู้ความได้ไปแห่งทุกตทูตในพานควรจะนั่งจินลองลงมาคือจัดระเบียบตัวเองม่ให้เด่นเด่นตนเองไม่ให้เด่เดนเด่นคนอื่นไม่ว่าจะเป็นด้วยความคิดคำพูดหรือการกระทําต่อไปแล้ว ตัวเองไม่ลาบาก ท, ทําบบตัวเอม่เดือร้อนคนอื่นไม่เดืร้ อ, รอนนั้นก็คือเป้าหมายป่วยไงทางการนี่เราเย็นไม่ให้เราร้อนหลังใจากใช้ความประมาณนี้เราวิธีการก็คือเราลองปากคือไม่ให้เพลงว่าร้ายให้ร้ายใส่ร้ายซึ่งบบกันและกัน เพราะนั้นบางที่บางแห่งดันใจวายปิดวาจา ก, ก็คือปิดปากไม่พูดเราลองไปพูดสักชั่วโมงสองสามชั่วโมงไม่ได้ปาบางมันต้องพูดพอพูดไปแล้วนี่พูดดีพูดเสียขึ้นมันก็พูดไปอ เ, อเปนนรื่อยเปๆไม่มีสาระไม่ประโยชน์มันก็ไม่ได้ประโยชน์มันไม่ได้ประเยชน์จาก ป, ปาก นได้ประโยชน์จะไม่อยัไปเกิดโทษมันเป็นโทษทางปากนี่อนุภวานอนุภวคาโตนะไปก็ทักระทั่งเสีย ส, สีในทำนองทีอมองคนอื่นกดเยียบยำทำให้ต่ำ อ, อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือเหตการและหลังจากนั้นก็คือสํมรวมให้สมรวมปฏิโม ก็คือหัวข้อก็คือสินนั่นเองมันก็สินเป็นกรอบเอาออกนอกกรอบไปได้เหมือ น, นตัวเราเที่ที่ครอบเอาไว้ใส่กรอบไว้เหมือนรูปผ้าเอาไมา่ไออกนอกกรอบอยู่ในที่ที่เหมาะสมสมควรเสนาสะนะอัศยัดต์ก็คืนเยียบนั่นหละที่นัง่งที่นอนมันต้องสะดวกสบายเกิน อธิานสุดท้ายคือประกอบความเพียรอาทิจิตเจชาอายุโขคือความเพียรทางจิตก็อย่างที่เราทำนี่แหละกอดังสามเรื่องสิ์สมบัติพัญยาก็ใช้กับสามเรื่องคือใช้กับกายกับวาจาและก็ใจหรือว่าจิตมีสาญญา น, นี่แหละเราจะมีความสุขความทุกข์ก็เพราะสามเรื่องเยนะ่ยมันไม่ได้เยอะเลย เ่อท า, ทาเราทุกเพราะอะไรทุกทางกายทุกทางวาจาทุกทางใจรับจะได้เห็นน้อยจ ะ, จะรู้ต่ความที่วันวัน ห, น, ห น, นึ่งเราไม่เห็นในสิ่เหล่านี้เห็นาความคิดของเราคำพูดของเราการจะทํำของเราไปเบียดเบียนคนอื่นไปทํำลายไปทําลายคนอื่นเขา หรือไม่ก็ไม่มีอะไรทําก็ไปคิดผุดทำลายทาลายตัวเองคิดซ้ำเติมตัวเองจนตัวเองเดือดร้อนอาต้อออกไม่ได้เพร่างกายปฏิบัติธรรมคือต้องการเราก็เจอสิ่งนี้ในชีวิตประจําวันอย่างน้อยจนวันนี้เราก็ได้เห็นว่อทางกายเมื่อก่อนกินสองมือ้อสามมือ้อพอลดลงสองมือ้อ ร่างกายมันอยู่ได้ไหมไหวไหมเงินหิวไหมมันชูวก็คือเวทนามันจะบำบัดมันทําบรรเทาเพราะนั้นถ้าเรากินก็คือบําบัดเวทนาเพอาะถูกประสงค์เระกินของอร่อยหรือไม่อร่อยก็ตามสารพัดที่กินเนื่ยโริโปรยแฉสอยก็คเพื่อบําบัดเวทนาให้มัน เชื่อบาอบางลงไม่ได้แปลว่ามไม่หไม่มีมันก็มีอยู่นั่นแหละเพราะนั้นถ้าเราไลไ่ไปทีื่อยๆนั่งแล้วพิจารนาะโดยเพื่อนทีวันนี้เป็นควารักที่บริสุทธิ์ที่ผู้เชายที่ประสงค์พันสองร้อยห้าสิบรูปที่เป็นผู้บริสุทธิ์ มารวมตัวกันเพื่อวางแผนอย่างแรกลงดึกของศาสนาของเราเราช่ว่ได้มา 2,000 กว่าปีมาแล้วถ้าไม่มีที่จริงคงอยู่ไม่ได้เนื่ยนะกดิกลให้คำว่า 2,000 ปีามาแล้วแปลว่าอะไรก็แปลว่าจิตของเราเนี่ย มันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างมาสองพันกว่าปีมาแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจิตของเรามันไปอยู่กับอะไรบ้างอยู่กับคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายสารพัดเป็นไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นผู้หญิงไม่มีใครไม่เคยเป็นผู้ชายจิตดวงนี้ไม่เคยเป็นผู้ชายตลอดกลับได้ที่เราปรามาหรือประมาทในศีล เราก็สามารถทีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ีผู้หญิงกลายเป็นปผู้ชายผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงหรือไม่ก็เป็นเูน้หญิงก็ไม่ด้เป็นผู้ชายก็ไม่ได้ไไไดแล้วก็เหองกันอยู่อันนี้หมาถึงคนในขณะเดียวกันถ้าสิ่งไม่มีสักข้อเลยเป็นคนไม่ได้เลยเป็นคนอย่างพวกเราไม่ได้เป็นได้แต่รูปร่างหน้าตาเช่นช้างมา้าวัวควายหม้เห็นเป็ดไก่มีเหมือนเอา มีรูปร่างกายท่าเสียขันหา้างมีลมมีเต่ามีหิวมีเวลาเหมือนกันหมดแต่ไม่สามาที่จะทำมัก ผ, มมผลพิพาณันม่เกิดขึ้นได้นี่คือข้อสำคัญผนงานเราเติมเกี่ยวโจดีโจดีหนือว่าเรายามน้อยที่สุดก็คือจนที่เราเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในกิจวัตรขบวัตในปฏิบัต ในครั้งนี้อย่างน้อยที่สุดกอ็อย่างวันนี้เราคงจะคิดได้ที่หลวงพ่อเข้ามาบอกว่าเสียเวลานิดนึงเพราะว่ามาติตต่อสลาคือะละสลาศกคือคนตายถ้าเราเคยปฏิบัติเคยคิดว่าโอเรายัางโชคดีเรายังไม่ได้นอนลงศพถ้าเรานอนสมศเมื่อไหร่ก็หมดสภาพหรือ ไม่ถึงกับนอนลงสดกลางคืนสามทุ่มสี่ทุ่มไปแล้วเนะี่ยมันมีใครที่ไม่นอนพอถึงเวลานอนแล้วก็คือเวลาตายนะตยายจากความดีความดีก็ไม่เกิดความชั่วก็ไม่เกิดมันอยู่ด้พาะนิมิก็คือฝันคือใจนึกอะไรขึ้นมาออกมาเป็นภาพเจีกว่ามนโนภาพมนโนภาพคือภาพทางใจ นั่นคือเสวยนันคือจิตที่มันออกจากร่างไปแล้ววิธีของเขาจะเป็นอย่างนี้แก้ไขไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้เพราะไม่มีการห้าอย่างเร า, าในขณะจิตนั้นมันไม่ได้ยึดการห้าเป็นแบบในขณะที่เรานอนเราไม่รู้แต่ว่าไม่มีสติอะไรนคนคนนอนคือดีนิดเดียวคือมีลมหายใจแค่นั้นถ้าไม่มีรมหายใจก็หมด คือตายแล้วแหละนั่นที่บอกว่าเราเนี่ยไอ้วัทถิใกล้ตายเนะี่ยเรามีทุกวันวเจอมองไม่เห็นนอนไม่เห็นนอนๆไปก็นอนนอนไปนเลยนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าคนสัตว์มันไม่ต่างกันลราเป็นในอยู่ที่มันเสียเวลาเยอะที่สุดในบทตทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนไปเลยชดที่ไม่เกิดสติปัญญานใดๆเลย อันดบทที่เกิดปัญญาก็คือยืนแต่นานไม่ได้ก็เหลือแต่สองอับทคือเดินกับนั่งเพราะฉะนั้นเราจะเดินยังไงนั่งยังไงให้มีสติประเด็นอยู่ตรงนี้มันเดินกันทุกคนมันนั่งกันทุกคนแล้วก็ทุกวันปัญหาคือใครจะนั่งด้วยความมีสติเท่า น, นั้นเองเพราะงัน้น มันจะต้องฝึกมันจะต้องเฝืนคำว่าฝึกก็คือเฝืนธรรมชาติทนกระแสย้อนซ้อนอันนี้คือธรรมชาติถ้าใครเห็นได้ถ้าใครทาได้ถ้าใครทนได้ทนก็คืออดทด น, นก็คือคันติซึ่งหนึ่งในอุดมการณ์ของเราคันติปรมังตะโพธิติขาคันติคยู่ของอดทด น, นเป็นตปะ อย่างหนึ่งวิจตรศิลคือมันพอผ่านพอผ่านก็คือความเพียนความเปลี่ยนยังกิเลยได้ร้อนกิเลสในตัวก็จะร้อนพอมันร้อนเราก็จะเห็นว่า ก, กิเลสมันเป็นตัวต้นเป็นยังไงดัะจึงจะเป็นใช้อายุน์ทั้งหมดในการกํากับในการกำราบอืม อย่าลืมว่าเราแต่และคนแต่และท่านถ้าเอาผู้ที่เจ้ า, จาเป็นหลังแ<อ>ปดสิบปีลองนับกันไปเท่าที่อายุเรามีอยู่หรือกี่ปีแน้่ยคนพูดคำหรยอสิกว่าปีก็ครบแล้วส0กว่าปีแป๊บเดียวกว่าอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วไม่ถึงสิบปี โดยประมาณโดยคร่าวๆในัานะไม่เกิดความประมาทในวันสำคัญทางศาสนา น, นี้งก็ยังหายพวกเราทั้งหลายวันนี้เป็นการน้อมเราดถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็คือพรัตนาใจซึ่งเป็นเสาหลักเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่คำจุนศาสนาให้อยู่ได้นาะน เพราะฉะนั้นเพื่อสําเร็จประโยชน์จากนี้ไปอย่าให้พวกเราใช้เวลาในการนั่งดูตัวเองให้มันเยอะๆเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะหยุดสักพักเดี๋จะหุดพูดประการที่หนึ่งก็คือให้พุทธังสนังกระชา น, นี้คือเออถึงคุณของพระพุทธเจ้าทางทางโลกและทางธรรมทางโลกคือเมื่อก่อนฟรองก็เหมือนกับพวกเรามีตัวอย่างทำตัว อ, อย่างเหมือนพวกเรา จนวัยยาเยี 29, ่สิบเก้าจึงหันหลังครับสิ่งตอนนี้ใช่วละหกปีในการสืบสวนสอบสวนพิจารณาค้นคว้าจนประสบความสำเร็จใช่วละหกปีนันจะนันเช่เวละอี ก, กสี่สิบห้าปีในการเผยแผร่ศาสนาธรรมจนในวัยแปดสบพรองก็ตรงปรจจุบัุและการที่ผ่าน ในที่สุดแต่วันนี้การของพระองค์นั้นบูรณางานงงงคือการดับความโง์นั้นเป็นการดับตรงนี้เหลือเมื่อเกับพู้เราพวกเราคือผูท้ทุชนเรายังไม่มีทิศทางยังกําหนดไม่ได้ว่ามันจะโดดเข้ารางแล้วมันจะไปไหนต่อมันจะไปทางอะไรแต่พระองค์บอกได้ชัดเจนบูรณาสรางกิจานี้แอร์โฮจาเป็นหลัก ธรรมังสนางกระฉานี้นึกถึงธรรมะทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับตัวตนของเราแม้แต่ตัวของเราเนี่ยล้วนเป็นเป็นธรรมะทางนั้นตั้งแต่หัวจรวดเท้าเป็นธรรมะทางนั้ น, ต น, รร น, นแต่เราไม่เห็นคือมเมตตด้วยปัญญาแล้ว อ, ออกมาออกเป็นธรรมะธรรมะชาติโดยธรรมชาติเกิดเองเป็นเออรียงยังไงสภาพป็นมันทรงไว้ยังไงคือเป็นก่อนทำก่อนท่าแต่ยังไง ลำบังสนงามกัจจานิสร้างขังสนงามกัจจานินี่ถึงพุท ธ, ธาสาวกของพระเจ้าลงเถอะอายะสาวกหรือสาวกทั่วไปหรือานุพุท ธ, ธคือคนที่แต่สรุปตามภายหลังเมแต่พระสงค์องของเจ้ากุปติบดปีดปฏิบัติชอบกุปเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างเป็นที่พึ้นของพวกเรามีสั้างขังสนงามกัจจานี้หลังจากนั้น มาสำรวจรวจตาลองกดลมรวมดูพระเจ้าที่ทำคือลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจริงๆแล้วตามหลักจริงๆเขาบอกต้องหายใจออกก่อนหายใจออกกป็นวัสดก่อนจึงจะหายใจเข้าตรงนี้ครับพอหายใจออกไปในท้องมันจะยูบนีขเ้วยุบ เพราะนั้นบกำลัที่ส่ ย, ยุบหนอพองหน่อเขาไปกำลังนี้ยุบหนอพองหนอทองมันจะยุบองมันต้องหายใจออกะหายใจเข้าอุณหภูเพราะนั้นที่เราทําใ้วันหายใจเข้าวันจะพองก่อนมันไม่ได้ยุบเพราะนั้นตามหลกักจริงคือหายใจออกขั้นหมดเหรือสัปพักเราเราค่อยทําดูให้หายใจออกจนหมดแล้วก็หายใจเข้าเราจังเกเธอท้องมันจะยุบแล้วมันก็จะพองอะไรอีกภาษาพม่าเนี่ย ตั้งแต่เราเป็นยุบหนอ่อพ่องหนอก็ดูที่มันยุบที่หรือที่อัองแข็งเราหรือพุธโทเพียงแต่ว่ากําหนดลมลมกระทบที่ปลายจมกูกหรือเข้าถึงศีรษะลงม า, ามมมกระทำคอหงมดหงิใจก็จะหายชนท้องเพราว่าก็ลมแล้วก็กระจายลมพังขึ้นบ น, บ น, บ น, บนต่านนตนํามันก็จะแยกคือทาก็กระจายทุกท้องกาย ทำอย่างที่เสริมเสมอให้เป็นธรรมชาติจะเป็นคนดันจะ่าไปเพ่นคือหายใจมันปกติแ้วเราหายใจปกติคือให้เราทาความรู้สึกทุกลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าอย่างนี้หรือบางท่านใช้วิธีนับหายใจออกหายใจเข้ากันนับหนึ่งหายใจเข้าให้ออกนับสองสามถึงสิบก็นับไปเรื่อยๆ ก็อยู่กับลมแล้วก็คำปริกรรมคือนับหรือให้ค้อกับพุทธฆาตอโนไัตเหมือนกันหมดไม่มีผิดไม่มีถูกนใช้ได้หมดเงั้นแค่นี้ไปลองทดสอบทดลอ ง, ลงดูจะเกิด อ, อะไรขึ้นถ้าเราเผลอเมื่อไหร่จิตมันก็ออกจิตมันจะปรงทันทีโดยอัตโนมัติดึงกลับมาเป่อการสู้กับตัวเองนี่คือการต่อสู้ นี่คือสองครามที่เรากําลังทําอยู่ถ้าไรต่อสู้ไม่ชนะตัวเองคือไม่รู้จักซื่อวันนี้คนนั้นก็แพ้เพื่อคนะคแพ้ได้คุนชนะกดเพลาสงครามนั้นลองดูว่าหลังฉันไปเพื่อสิริประโยชน์ไปการ น, น้องเลยเป็นอุปถันุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นอนุสติ เป็นคร่องรถึงเป็นความทรงจำที่ดีบางท่านก็สามารถที่จะส่วดพุทธคุณธรรมกุณสังฆคุณก็ได้เช่นเดียวกันเมืเวลาที่เหลืออีกอี่ถึงจะนี่ไปลองเราหลับนั่งหลับตาดูละพโนกันลองเดี๋ยวเราหยุดหยุดพูดถ้ามีเสียงมันจะเกิดอะไรขึ้น จิตเราโผล่อยู่กับอะไรเป็นอารมณ์ก็จะรู้ว่าเออตัวตนที่แท้จริ ง, ง, เ, รร ง, ร ง, รงเราจริงจริงเราเจิตของเราไม่ได้อยู่กับเรื่องกับตัวน้อยที่อยู่ในเนื้อกับตัวมันอยู่กับปัจจัยภายนอกมากกว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมเราจรึงไม่รู้จักตัวเองอยู่กันมาสี่สิบห้าสี่สิบหกสิบปีแล้วแต่ไม่รู้จักตัวเองดีพอ น, นั่นเอศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจตัวตนเองให้มากที่สุดเราติดใจมากได้ถ้า ท, ที่เวลามีอยู่วันนี้วันนั้นโอกาสจะนี้ไปก็คือลองดูกำหนดลมหายใจให้ใจออกใยาวกวอาไม่ต้องปิดรลืนให้ใจให้เป็นธรรมชาตินะหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติไม่ต้องไปิกลืนมันจะรู้สึกยังไงเริ่มต้นจากเรื่องถึงพุทธคุณก่อนธรรมคุณก่อนสังฆคุณก่อน แล้วค่อยดูกับลมหายใจคือหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละทําด้วยเวลาที่สมควรตอนนี้หนึ่ทุ่มสี่สิบแปดอีกประมาณไม่ถึงสักสิบนาทีครึงซ้ำอสองทุ่สองทุ่มก็สักประมาณสิบนาทีลองดูว่าสิบนาทีนี้ในที่มันเงียบมันสงบมันเป็นยังไงทุกคนก็ตั้งใจพร้อมกําหนดลมหายใจลองดูว่าเกิด อ, อะไรขึ้นมาตั้งใจ